ขอนอบน้อมแด่พระภูมีกระภาคอรหันตสัมมาสัมพุติเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> ต่อแต่ี้ไปให้พากันนั่งขัดสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิทั้งหญิงชายเด็กนมแก่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 อย่าเป็นความดีใจเีอใจทุกโธมนัดรับแข็นแน่นใจอันใดก็ตามให้วางไว้เสียก่อนอย่างว่าร่างกายสังขารมันเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปยึดถือธรรมดาลูก ป, ประขันร่างกายของมนุษย์คนเหล่านั้น ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาจะไม่ให้มีเสดเลยย่อมไม่ได้การที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราให้ภาวนา t h i ก็เพื่อจะให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยพ้นจากภัยอันตรายต่างๆคือเพื่อว่าจะได้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไป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 อันพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าของเรานั้นประเดิมแต่พระองค์ปานาโพธิยานเพื่อตรัสลูพระอนุตตรสัมมาโกติยานเพื่อลูกลือขนมนุษย์และเทวดาอินพรมทั้งหลายให้ไปสู่นิพพานพระองค์ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาตั้งแต่ครั้งกระโน้นมา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 เป็นเวลาหกปีกว่าจึงมาถึงสถานที่พระพุทธเจ้าจะได้ดตัดสุลุเป็นพระพุทธเจ้านั่นได้มาถึงต้นไมโพมานั่งสมาธิภาวนาใต้ลุกกมูลล้มไอ้คือเป็นที่วีเวกเย็นสบายในวันนั้นเมื่อพระองค์มาถึงที่นั้นก็รู้สึก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 อยู่ที่นั่นตลอดวันมีแขกเลี้ยงโคมาเห็นเข้าว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่เช้ามาไม่ไปไหนวนเวียนอยู่ในล่มไม้นี้แขกเลี้ยงโคมีศรัทธาไปเกี่ยวหญ้าคามาได้แปดกรรมัมเพื่อให้ท่านได้อาศัยหญ้าคาแปดกรัรมนี้ เป็นที่หลับที่นอนสบายดีเพราะว่าไม่มีเสนาสนะอันใดยกพื้นเลยเอายญาคานี่แหละปูนอนแคกคิดอย่างนั้นจึงได้เอายญาคาแปดก ร, รัมมาถวายพระพุทธเจ้าของเราในเวลานั้นยังไม่ได้ตรัสสู้เป็นพระพุทธเจา้าเมื่อมาถวายแล้ว <c oughs> พระองค์ก็เปินิพพิจารณา ญ้าคาทั้งแปดก ร, รัมนี้จะปูทิศไหนของต้นไม้ต้นนี้ดูทิศเหนือก็ไม่เหมาะทิศ ต, ตะวันตกก็ไม่เหมาะทิศใต้ตก็ไม่เหมาะพระองค์เห็นว่าทิศ ต, ตะวันออกเป็นทิศที่เป็นมงคลจึงได้เอาญ้าคาทั้งแปดกรรมนั่นปูลงไปคลี่ทับกันไปทับกันมา พระองค์ปูนั่งไม่เ็จมุ่งเพื่อจะนอนคือคืนวันนั้นพระองค์ไม่ตั้งจิตเจตนาจะนอนตั้งใจจะภาวนาเพื่อตรัสโลเป็นสรพพุทธเจ้าเมื่อเอาหญ้าคาทั้งแปดก ร, รมปูพื้นเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เข้านั่งสมาธิภาวนาบนหญ้าคานั้น พินหลังให้ต้นไม้โผไม่ต้นไม้ต้นนั้นพินหน้าพระพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งก็นั่งขัดสมาธิเพชรไม่ใช่เอาขาขวาทับขาซ้ายเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรง พระองค์ก็ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาขั้งนี้จะให้เป็นขั้งสุดท้ายเพื่อตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าก็จะยอมตายในที่นั่งนี้ไม่ต้องไปแสวงหาอาหารการกินอะไรทั้งหมดคํานี้นั่นเป็นเครื่องเตือน จิตใจของพระองค์และพวกเราทั้งหลายว่าทำอะไรจะ ต, ต้องทำจริงดูพระพุท ธ, ธจารเวลาท่านจะเอาจริงท่านมีสัจจะอธิษฐานตั้งลงไปว่าแม่เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะนั่งภาวนากรงนี้โดยไม่มีท่อแท้ในหัวใจ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 คือดวงจิตดวงใจของพระองค์นั่นเองส่วนธาตุลมนั้นมันเป็นเรื่องของธาตุร่างกายของมนุษย์คนเรานั่นธาตุดินคือร่างกายที่เรามองเห็นนี่แหละธาตุน้ําก็น้าเลือดน้าเหลืองธาตุลมก็คือลมหมายใจธาตุไฟก็ได้แก่ความร้อนความอบอุ่นในตัวคนเรานั่นเอง ร่างกายสังขารของคนเหล่าทุกคนคือธาตุดินน้ำไฟลมนี่แหละประชุมกันโยเมื่อธาตุทั้งสีสมำเสมอกันโยจิตของบุคคลเหลาก็เป็นมาโดยลำดับพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจนไม่ให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกเหมือนแต่เก่าก่อน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 มันแปละสะภาพไปสู่สภาพเดิมดินอยู่ที่ไหนมันก็ไปสู่สภาพเดิมน้ำธาตุน้าอยู่ที่ไหนก็ไปสู่สภาพเดิมธาตุไฟธาตุลมอยู่ที่ไหนมันก็ไปสู่ธาตุเหล่านั้นดวงจิตดวงใจของเราพุทธเจ้าก็มารวมในใจเรียกว่าเอาจิตใจมาตั้งมั่นภายในไม่หลงไหลไปในที่ใด จิตใจของพระพุทธเจ้าก็รวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่มีหลายจิตหลายใจเหมือนแต่เก่าก่อนรวมสงบลงไปที่รู้ว่าลมเข้าลมออกใจิตใจของพระองค์ก็เป็นดวงเดียวเรียกว่าเป็นคันิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิ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 จิตที่จะแชสทายลุ่มหลงไปตามสังขารลมานกิเลสมาตามธรรมดาก็ไม่มีทางไปมารวมมาสงบอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ให้สังเกตให้ดีว่าดวงจิตดวงใจของคนเรานั้นดวงดั้งเดิมก็คือดวงที่รู้อยู่ดวงที่รู้อยู่นั้นไม่ใช่เป็นลูกเป็นล่างอย่างไร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 ธรรมดาลูกนามกายใจของคนเราเมื่อมันมีเกิดขึ้นก็ต้องมีแตกดับเป็นธรรมดาและคนเรามายึดว่าตัวเราของเรากายเราใจเราความจริงแล้วดินน้ำไฟลมหรือว่าลูกนามลูกหมายถึงลูกร่างกายนามหมายถึงดวงจิตก็ไม่ใช่ตัตัวของเราอีก ท่านกำหนดรู้อย่างนี้ได้แจ่มแจ้งชัดเจนเมื่อพระพุทธเจ้ากำหนดได้ชัดเจนท่านก็เลิกละปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ถืออะไรเป็นตัวเป็นตนของพระองค์มีสมาธิตั้งมั่นลงไปมีปัญญาความเฉลียวฉลาดลอกลูกในกองสังขารลงไปในจิตใจดวงที่ลูนั่นเอง จนจิตใจดวงนั้นเกิดปัญญาเกิดยานอันวิเศษตัดกิเลสลาคะหมดไปตัดกิเลสโทสะหมดไปจัดตัดกิเลสมุหะหมดไปตัดความอยากความต้องการในกิเลสสกามวัตถุกรรมได้เล็ดขาดจิตใจของพระองค์ก็แจ้งโลกแจ้งธรรมนี่ว่าปล่อยวางได้ทุกอย่างมีสติเป็นมหาสติ มีสมาธิเป็นมหาสมาธิมีปัญญาเป็นมหาปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามาถอาจฐานเกินมนุษย์และเทวดายินพรมทั้งหลายจึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นผู้ตรัสู้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ละกิเลสลาคะโทสาโมห์ให้หมดไปสิ้นไปในคืนวันนั่น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 มาคราวนี้แล้วว่าภายนอกก็เลิกได้ละได้ภายในก็ตัดได้ละได้จนแจ่มแจ้งชัดเจนในจิตใจของพระองค์เองนี่คือว่าเป็นเรื่องของพระพุทธองค์หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็โปรดปัญจวคีลือสีทั้งห้าโปรดปุบาศกุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านสอนเทวดาอินพรหมให้ได้บรรลุมรรคผล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 รพระธรรมเทศนาสอนญาติสอนโยมสอนอุบา ส, บบาสิกาศรัทธาชาวบ้านตอนพบข้ามอย่างเราท่านทั้งหลายมานั่งภาวนาเนี้่้วว่าเป็นเวลาประทานโอวาทแก่พระภิกษุภิกษุณีสาวกสงทั้งหลายผู้มาบรรปชาอุปสมบทแล้วว่าเป็นนักบวชช้อนให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลส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 แต่จิตใจคนเรานะ <c oughs> ที่เพื่อนให้ชื่อว่าจิตใจดวงผู้รู้ผู้คิดผู้นึกอยู่ในตัวในใจเราทุกคนนั้นรูปประขันร่างกายนี้มันเกิดตายมานับพบนับชาติไม่ทวนแล้วเรียกว่าอเนกชาตินับชาติไม่ได้นับพบไม่ได้นับเป็นกลับเป็นกันมันก็มาเกิดมาตายอยู่อย่างนี้จิตมันไม่ตาย รูปร่างกายแตกดับตายเมื่อใดจะตายอุปเทวิเหตุตายทำเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาก็ตามเมื่อรูปประหารร่างกายมันแตกมันตายแล้วจิตใจมันก็แสวงหาพบไม่ชาติไม่เอก้าทําชั่วก็ไปตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์สิ่งเดียวฉานบ้างถ้าทําดีก็มาเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นเทวดาอินทร์สมไปตามเรื่อง ถ้าพระพุทธเจ้ามาตัดสรตวแล้วภาวนาตัดบ่วงห่วงอะไรตัดกิเลสตัณหาออกจากใจได้หมดสิน้นก็ไปถึงซึ่งนิพพานไม่ต้องมาวกวนเวียนอยู่ในโลกอันนี้อีกพระพุทธเจ้าก็พล่ำสอนสาวกอย่างนี้ทุกคืนทุกคืน เมื่อสาวกสาวิกาสาาตัตยาดโยมทั้งหลายไปภาวนาปฏบิบัติบูชาเดินจงกรมหลังจากนี้ไปแล้วตอนเที่ยงคืนเป็นเรวเป็นเวลาเทวดาพวกกายทิพย์มีเทวบุตรเทวดาพยาอินพยาพรมลงมาฟังธรรมประพทธิจ้าหรือมีปัญหาขัดข้องอย่างไรก็มา ทูลพระพุทธเจ้าให้พระองค์ชี้แจงสแสดงสแสดงธรรมให้เทวดาฟังอัทระเตเทวปัญหาหนังเมื่อมีปัญหาอะไรก็มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศให้เทวดาฟังเทวดาตนไหนมีศรัทธาแก่กล้าเมื่บุญบรารมีมาแต่พบก่อนหนหลังแก่กล้าสามารถพอจัด ประพฤติตามปฏิบัติตามได้เทวดานั้นก็ทำตามละอิเลสลาคะโทสะโมหะของตนให้หมดสิ้นไปก็ถึงซึ่งนิพพานได้เหมือนพระสาวกจ้าทั้งหลายหลังจากเทวดาเลิกลาไปในเวลาเที่ยงคืนกว่ า, วาแล้วจวนจะสว่างก็มีกิจอันหนึ่งของพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าของเรา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 ตื่นเช้าก็ไปโปรดถ้าไม่มีก็บินธบารโปรดสักว์ตามเคยอันนี้เป็นกิจวัดของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้มาตรัสลู่ในโลกแล้วล่วงลบไปแล้วมากมายเท่าไรก็ตามย่อมมีข้อวัดปฏิบัติอันนี้ประจําพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเราทุกคนแม้ยัง มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้ถึงหากว่าไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามได้พบพระธรรมวีในสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ในโลกยังมีอยู่ในพุทธศาสนาก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา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 อย่าไปปล่อยให้มันความขี้เศร้าเหงานอนฟุ้งซา่านลำคาญไส่การไม่ได้เนกบริกรรมภาวนาพุทธโธในใจเตือนใจของเราว่าอย่ามาง่วงเหงาเหานอนความแก่ความชรามันไม่ได้รอท่าข่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีอยู่ทุกวันคืนเดือนปีอีกไม่นานภายในร้อยปีนี่แหละความตายก็จะมาถึงเข้า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 สมัยโน้นเป็นสมัยปฏิบัติภาวนาคือว่าญาติโยมแม้จะเป็นคฤรือหัเป็นฝ่ายญาติโยมก็ตามท่านได้ฟังธรรมค ำ, ค ำ, คำสอนพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมค ำ, คำสอนสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็นำไปปฏิบัติบูชาภาวนาทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ ยนถึงขั้นละอีเลดความโกรธได้ละกีเลดความโลภได้ละกีเลดความหลงได้เป็นพระอริยะบุคคลในทางพุทธศาสนานับไม่ถ้วนท่านตกมาถึงพวกเราทั้งหลายมักจะอ้างการอ้างเวลาผู้สิโยในคารวะญาติโยมก็บ่กหาเวลาไม่ได้เพราะมีกิ จ, จกรรมการงานหน้าที่ของตนทําไปวันหนึ่ง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 จิตของเรามีสติไหมเดี๋ยวนี้สมาธิในใจนี่มันตั้งมั่นหรือไม่สิ่งนี้แหละเราจะต้องระลึกอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ให้จิตใจเถอเลอและไม่ให้จิตใจลืมพุทโธในใจก็นนึกไว้เจริญไว้ใครเป็นผู้นึกพุทโธก่จิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังอยู่นี่แหละเป็นผู้นึกเป็นผู้เจริญอยู่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 จิตมีความรู้อยู่ในตัวในกายในจิตเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันอันนี้และให้ตั้งขึ้นมารวมลงไปที่นี่ให้มีความสงบตั้งมัน่นภายในอันนี้ให้ได้ส่วนเรื่องราวใดที่จะเป็นไปในอนาคตตการดีก็าตาม้ายก็าตามอันนั้นมันก็ยังอยู่ข้างหน้าอนาคตตการ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 ยืดใจให้แจ้งใสหมดจดสะอาดเขาด่ามาก็ยาให้ถูกคืออยาไปยึดเอาความจริงที่มันเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่คือจิตนั่นแหละมันไปยึดเอายึดว่าตัวอันนี้เป็นตัวเราแท้จริงมันก็เป็นแต่ว่าเลื่อนล่างชั่วระยะหนึ่งที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาเพื่อจะได้ภาวนาละกิเลสเท่านั้นเอง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 เมื่อตัดได้มากเข้ามากเข้ากิเลสเหล่านี้มันก็ขาดจา ก, กจิตใจของคนเราเพราะว่ากิเลสเป็นของละได้พระพุทธเจ้าละให้เราเห็นแล้ว่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพอละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงเพราะพระองค์นั่งภาว น, นาวันนั้นคืนนั้นท่านนัง่งภาวนาตลอดตั้งแต่หัวค่ํำพกค่ําจนแจ้งสว่าง ไม่ยึดนั่นถือนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่มีเพราะว่าคนเ่าทุกคนนั่นถ้าใจสงบหลังอับใจตั้งมั่นเย็นสบายใจไม่ยึดความโกรธความโลภความหลงนั่นใจมันก็ต้องสบายนั่งนานก็ไม่ทุกข์คนเรานั่ง น, นิดๆนอยๆเป็นทุกกายทุกใจกระสับกระส่ายก็เพราะว่าใจมันไม่หยุดไม่อยู่ ใจไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแต่ใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเหมือนกับพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีความทุกข์ใจแต่ว่าทุกกายนั่นเป็นของมีอยู่ทุกกายก็ได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความชรามีเหมือน ก, นกันกับคนเหล่าไม่ต่างกันเมื่อแก่ชราแล้วก็ไม่มีทางหลบหลีก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 ภาษาวกเจ้าทั้งหลายเมื่อเสี่ยงอายุสังขารท่านก่อนนิพพานไปตามธรรมดาของสังขารส่วนจิตใจที่เป็นตัวนิพพานจริงๆอย่างพระพุทธเจ้าวันที่พระองค์ได้ตดรัสลู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธยานใต้ต้นคงไม่โพนั่นแหละตั้งแต่นั้นมากิเลสในใจพระพุทธเจ้าหมดไปสิ้นไปใครมาดา่าอะไรพระองค์ก็ไม่โกรธ เพราะไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเหายึดของของเหล่าแลเรื่องก็สงบอยู่นั่นเอง <c oughs> <c oughs> บัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มาสู่สมาคมสถานที่นี้ <c oughs> เพื่อเป็นการปฏิบัติบูบบชาภาวนาละกิเลกก็ยามีความท้อถอย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 เราตถาคตก็เป็นแต่ผู้ตรัสผู้บอกผู้สอนแนะนำสั่งสอนให้เท่านั้นสาวกทั้งหลายจะต้องกำหนดยำนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อละกิเลสในใจของตนให้หมดไปสิ้นไปส่วนหนึ่งตังหะไม่มีใครจะไปละกิเลสให้แก่กันอะกันดูแต่เวลาเราท่านทั้งหลายรับประทานอาหาร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 ใจมีปัญญาใจละกิเลสลาคะโทสะโมหะได้แล้วมันไม่ตายรูปร่างกายนี้ถึงอย่างไรอย่างไหนมันก็ตายวันอย่างคำ่ำตายคืนอย่างลงตั้งแต่เกิดจนตายมันตายได้ทุกวันเวลาลเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แจ้งแจ้งชัดเจนในจิตใจของเราแล้วเราทุกคนก็จะได้เร่งรีบเร่งภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก ไม่ต้องรอวันคืนเดือนปีวันคืนเดือนปีมันเป็นสมมติอันน่ผู้ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นภาวนาพุทโธให้มั่นคงในใจเตือนจิตเตือนใจของเราว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ครบพุทธศาสนาแล้วอย่าให้เสียเวลา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 ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการละชนิยะถาวะลิวาหาปุลาปาริปุลินติสะคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังมุปกัปปติอิชิตังปติตังตุมหังกิปะเมวะสมิสสตุ สัพเพปูเลนตุสังกปาจันโทปันนาลาโสยะธามะนิโชติระโสยะธาสปีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีขายุโกภวะอะพิวาธนาสิริสนิจังวุธาปยยัญญโยจตาโรโอธรรมาวะทันติ อายุวันโอสุ ข, ขังภาลัง <c oughs> การนั่งสมาธิภาว น, นาในภาคกันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้มีมาตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าของเรา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 หรือลมออกไปแล้วถ้าเราสูดเข้ามาไม่ได้นั่นก็คือเป็นที่ตายได้เหมือนกันมาณนกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าของเราเมื่อสมัยพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ท่านตักเตือนตรัสเทศนาสอนนักหนาว่าให้พากันนึกภาวนานั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่ว่าอุบายใดถ้านึกทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจิตนั้นก็จะรวมสงบได้ทุกทุกคนโดยเฉพาะมารณกรรมฐานนี้คนเรามักจะประมาทคือเข้าใจว่าเราไม่จะไม่ตายง่ายง่ายเมื่อใดก็ได้ ผู้ที่ยังเด็กยังหน่มก็ว่าเรายังเด็กยังหนมอยู่ภาวนาเมื่อใดก็ต้องทันต้องได้อันนี้เป็นความประมาทโมเมาพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เตือนสาวกทั้งหลายว่าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจองนึกน้อมให้เห็นซึ่งความตายด้วย เมื่อผู้ใดเห็นความตายอยู่เสมอจิตจะไม่ประมาทเหมือนกับว่าลมเข้าไปเราก็มาก็ตายมันใกล้ที่สุด เ, <ข>เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็อ้างเอาพระองค์เป็นหลักด้วยว่าส่วนว่าเราตัดถาคตไม่ได้หลงไม่ได้ลืมมรณ ะ, ะกรรมฐานนี้ นั่งอยู่พระองค์กันนึกได้อยู่ยืนอยู่พระองค์กันนึกได้อยู่สเสด็จไปไหนเดินไปไหนพระองค์ก็รู้ได้อยู่เสมอว่าอันความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาหรือว่าเราเดินไปสู่ความตายก็ได้มันใกล้เข้าไปขยับเข้าไปผลที่สุดก็จะไปถึงจุดนั้นคือความตาย มาลนะกรรมาฐานนี้ถ้าเรานึกเล็กๆไม่น้อยมันยังไม่สงบยังไม่สลดสังเวชก็เหมือนกับว่าว่าเล่นไปอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมานึกถึงความตายจนมันซึมซาบเข้าในจิตในใจจิตใจจะเปลี่ยนแปลงทีเดียวจะรู้สึกสำนึกตัวว่า ชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นคนเรายุคนี้สมัยนี้นั้นความตายไม่เลยมีแค่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นอย่างอื่นยังเพิ่มเข้ามาอีกด้วยอย่างอุปเทวเหตุต่างๆมนุษย์สมัยนี้ไปมาทางไหนมันก็มียวดยานพาหณะพาให้เป็นไป แต่คนเราส่วนมากมันก็มองไม่เห็นว่ายานพาหานะสิ่งที่นำเราไปมานั้นมันเป็นตัวภัยอันตรายสำคัญผู้ขับขี่ไม่สังวรระวังผิดกฎจราจรเมื่อใดเวลาใดมันจะแสดงความวิบกรมดิการออกมาจนถึงความตายได้นับไม่ถ้วน เมื่อเป็นเช่นนี้อันมาลานะกรรมฐานเน่จึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรานึกเราจะเินจนมันซึมซาบเข้าในจิตในใจจะไม่มีวันหลงวันลืมก็มันใกล้ที่สุดแล้วมันก็เป็นความจริงเขามันมาถึงนี้วใครจะไปเรียกร้องกล้องขอไม่ได้ขอผัดวันประกันพรุ่งก็ไม่ได้ มันเอาตายนท่านั้นไม่เลือกว่าเจ้าใหญ่นายโตคนทุกไล้อนาถามันไม่ได้ยกเว้นที่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าบุญกุศลมันยังให้ผลอยู่บุญเก่าเราทำมาบุญเก่านั้นยังให้ผลอยู่ถ้าหมดบุญเก่าเมื่อใดแล้ว มรณะภัยคือความตายมันจะปุ๊บปับเข้ามาจนไม่รู้สึกตัวจนเอาไม่ทันเนี่ยดัง <c oughs> นั้นจึงให้นึกน้อมให้ดีภาวนาให้ดีมรณะกรรมฐานนี่ท่านว่าเป็นยอดธรรมก่อนใดคือว่าชีวิตทุกชีวิตเวลามันจะจบลงไปไปจบที่มรณะกรรมฐาน เมื่อมาละกกมาะกรรมฐานมาถึงเข้าแล้วนั่งอยก็จำเจนต้องลมตายลงไปยืนอย่ก็เป็นได้ไม่เหลือตายได้ทางนั้นแหละนด่จึงให้ภากันเอาไปนึกไปเจริญจนมันทราบซึ่งตรึงใจจนมันเข้าอยู่ในดวงใจจริงๆจิตใจนั้นมันจะได้ ภาวานาติดต่ อ, นอเนื่องเป็นลำดับไปเพราะว่าคนเราที่ทาไปนั้นแหละมันเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเึื่องตักเตือนอยู่ตลอดเวลามรณงเมพาวิสติมรณงเมพาวิสติเราต้องตายเราต้องตายไม่มีอะไรจะมาช่วยได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองจึงช่วยเวลาภาวานาปฏิบัติบูบชา ทำความภาคความเพียรความพยายามอยู่ในใจของตนอยู่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทเราต้องนึกให้ได้จเจริญให้ได้อยู่ทุกเวลาเมื่อทำอยู่ปฏิบัติอยู่จนมันเนืองนิดติดต่อกันไปคิดใจก็ยอมสงบระ ง, งับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนาได้เหมือนกัน อันนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้ไม่ทําวันหน้าเวลาน่าจึงจะทําหลักสําคัญท่านว่าให้เอาหลักถือการเป็นปัจจุบันนั่นแหละสําคัญปัจจุบันนั้นคือว่าไม่ให้มันขาดตกบกพรองมีความรู้สึกอยู่ในใจของเราที่ไหนก็ให้นึกมองให้เห็นซึ่งมาราณกรรมาฐาน ถ้ามันรวมจิตใจได้มันจะรู้สึกสะดุ้งในใจทีเดียวว่าเป็นจิตประมาทัวเมาทั้งๆที่ความแก่มันเป็นอยู่ความเจ็บความไข้ความไม่สบายเป็นอยู่มีอยู่ทุกเวลาแล้วความตายจะไม่มาถึงเรานั้นไม่มีเวลาคนเรามันจะถึงความตายนั้นนั่งอยู่ดีๆก็ตายได้ มันเกิดลมเกิดแรงขึ้นมามันก็ตายได้เดินไปมาดีๆจะมุ่งหมายใจในเป็นบ้านนั่นเมือง น, นี้แค่นั้นทุกวันทุกคืนยาได้ประมาทพระพุทธเจ้าเตือนว่าเอาให้ได้ทุกลมหายใจเมื่อรวมจิตรวมใจได้ทุกลมหายใจแล้วไม่เลือกว่าวันไหนเวลาใดย่อม เป็นภาวนาได้ทุกเวลาหลับตาลืมตายืนเดินนั่งนอนทุกยิรยาบทจะไปไหนมาไหนก็ตั้งใจอยู่ในใจของตัวเองภาวนาอยู่ทุกเวลาอันนี้แหละเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนา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 มาเตปวัตวันตรายโยจุคิติกาโยโกปะวะอัพภิวาตานาสิริชนิจังมุตตาปัจจายิโนจัตาโรธรรมมาวทันติอายุวันโนโชขังภาลัง